หัวข้อเรื่องสะดุดใจทุกคนจะมีอายุอยู่ในโลกกี่ปีก็ตามต้องมีสักวันหนึ่งหรืออย่างน้อยสักนาทีที่สะดุดคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาจากคำพูดของคนอื่นคนอื่นที่ว่าเนี่ยอาจเป็นคุณครูสมัยอนุบาลที่สอนให้เราท่องกอไก่ขอไข่อาจเป็นคนรักที่อยู่ในอารมณ์อยากทะเลาะ และขุดคุยกันให้ละเอียดละอออาจเป็นปรารถระดับโลกคนโปรดที่คําคมถูกคัดลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกหรืออาจเป็นเพื่อนบ้านใกล้ตัวที่เรารู้จักแต่ไม่เคยคุยกันลึกซึ้งนี่เองก็ได้ความสะดุดใจเพียงครั้งเดียวในชีวิตอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชั่วนิรันดร์ของคนธรรมดาสักคน โลกนี้มีคนที่พูดแล้วทำให้เราตาสว่างว่าปุรปปับอยู่มากแต่เราไม่ค่อยเจอบ่อยนักอาจเป็นเพราะพอดีจังหวะ ก, กับที่หูตาเราปิดหรืออาจเป็นเพราะเสียงของเขาเบาเกินกว่าจะแพร่มาทางอากาศหรือกระดาษหนังสือหากเปรียบโลกนี้เป็นห้องดนตรีส่วนใหญ่ห้องดนตรีแห่งนี้จะเงียบหรือกเกลื่อนเสียงรบกวน หรือมักมีเพลงพื้นๆดัดๆที่ฟังเบื่อหูนานครั้งถึงจะกระหึ่มเพลงเด่นที่เล่นอย่างมีพลังประหลาดปลุกประสาทเราให้หูตาตื่นตะลึงได้แล้ววันที่เพลงเด่นจะดังขึ้นก็อาจเป็นวันแสนธรรมดาของคนธรรมดาผู้ไม่คาดหวังว่าจะฟังอะไรเป็นพิเศษฉันมีเพื่อนบ้านเป็นครอบครัวเล็กๆ ประกอบด้วยพ่อแม่ลูกชายวัยห้าขวบกับคุณตาอีกคนและเนื่องจากรั้วบ้านเป็นแบบโปรง่งไม่ใช่อิดปูนสูงหนาบางตาครอบครัวฉันกับครอบครัวนั้นจึงมักยิ้มให้กันประจําแม้ไม่สนิทถึงขั้นแจกซองกะถินให้แก่กันและการตามโอกาสก็มีไถ่าถามสารทุก์สุขดิบบ้างประสาคนคุ้นหน้าเย็นวันหนึ่ง ขณะฉันนอนฟังเพลงอยู่ในห้องนอนก็ได้ยินตัวน้อยประจำครอบครัวแหกปากลั่นบ้านว่าแม่ครับคุณตาตายแล้วคุณแม่คงเพิ่งกลับมาถึงบ้านอย่างนึกว่าจะเป็นอีกวันที่ไม่มีอะไรน่าจดจำไม่คาดหมายว่าจะเจอลูกชายตะเบงเสียงบอกเช่นนั้นถ้าทางภูมิใจทีเดียวเราว่าเป็นคนแจ้งข่าวหน้าตื่นเต้นให้ผู้ใหญ่รับรู้ก่อน ใครฉันลุกมาชะโงกมองทางหน้าต่างเห็นคุณแม่เข่าอ่อนแทบล้มทั้งยืนกับเสียงคึกขนองของเจ้าทามวนน้อยมันเป็นภาพที่ชวนคิดไม่ใช่เล่นระหว่างเด็กไร้เดียงสารับรู้การตายกับผู้ใหญ่ที่รู้คิดรับรู้เรื่องเดียวกันทำไมลูกชายเห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ขณะที่คุณแม่ถึงกับยืนตกตะลึงจัง ง, งังด้วยความตระหนักว่า ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปยังไม่มีวันกลับมาพบหน้ากันอีกส่วนฉันยือนอยู่ในห้องเพียงแค่คิดว่าต้องไปงานศพอีกแล้วชี่เราน่าเบื่อซะจริงเย็นอีกวันหนึ่งฉันยืนรดน้ำต้นไม้ริมรัว้วหูก็ได้ยินเสียงพ่อลูกข้างบ้านคุยกันบนเสือกลางสนามคุณพ่อคงร้อน เลยชวนลูกเมียมานั่งปอกผลไม้กินใต้ร่มไม้ประสาครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าฉันได้ยินลูกชายตัวจ้อยถามคุณพ่อของแกว่าพ่อครับทำไมคุณตาถึงต้องตายด้วยล่ะครับฉันยิ้มเล็กน้อยคนเพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่ถึงห้าปีนั้นแม้เห็นและได้ยินทุกสิ่งก็คงไม่ต่างจากคนโตโตดูทีวี รู้แต่ว่ามีตัวละครกระโดดโลดเต้นหรือล้มลุกคลุกคลานให้ดูอย่างไรอารมณ์ร่วมกับตัวละครเหล่านั้นเว้นแต่จะมีส่วนได้ส่วนเสียมาถึงเนื้อถึงตัวของตนโดยตรงนั่นแหละจึงค่อยแหกปากวยวายขึ้นดังๆความที่เพิ่งเกิดจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ห่างจากความตายกลิ่นอายความตาย ยังเป็นของแปลกใหม่และไกลตัวข้อสงสัยเกี่ยวกับความตายจึงมักตกเป็นภาระของพ่อแม่ที่จะให้คำตอบพอฟังง่ายแก่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของตนเป็นธรรมดาของพวกเราทุกคนนะลูกถึงเวลาตายก็ต้องตายเป็นคำตอบง่ายๆแต่ด้วยสำเนียงกาวรุนแห่งผู้เป็นบิดาออสก็ต้องตายเหรอครับ ต้องตายเหมือนกันแต่ออดยังเด็กอยู่กว่าจะแก่และถึงเวลาตายเท่าคุณตายัางอีกนานฉันพยายามจินตนาการคําว่านานในหัวเด็กวัยห้าขวบแล้วก็คิดว่าสมองน้องออทคงว่างเปล่าสิ้นดีอย่างมากอาจนึกเทียบเคียงกับเวลารอพ่อแม่กลับบ้านก็ได้และเมื่อไหร่คุณตาจะตื่นเห็นนอนอยู่ในโรงทั้งหลายวันแล้วถ้าตายก็ไม่ตื่นแล้วล่ะลูก ต้องอยู่ในโรงอย่างนั้นตลอดไปฉันอดลอบมองลอดพุ่มไม้ใบไม้สอดตาดูไม่ได้สมดังที่นึกข้าเดาล่วงหน้าคือเห็นคุณแม่น้องออททำตาแดงๆปอกผลไม้อยู่ในชุดดำส่วนสามีของเธออธิบายมรณะศาสตร์ให้ลูกชายฟังด้วยสีหน้าเป็นปกติและสำหรับลูกชายก็แน่นอนว่าไม่มีอะไรอื่นใด นอกจากความสงสัยเปื้อนเปละไปทั้งหน้าอ๋อเกือบลืมย้อนดูตัวเองสำหรับฉันแค่อยากรู้อยากเห็นว่าใครจะทำหน้าแบบไหนบ้างเท่านั้นแหละเพราะคุณตาของน้องออสในความทรงจำของฉันก็แค่คนแก่ข้างบ้านซึ่งแทบไม่เคยคุยกับฉันเลยตลอดสามปีที่ผ่านมา ฉันไม่คิดว่าแกจะมองเห็นว่าหน้าตาฉันเป็นอย่างไรด้วยซ้ำตกลงต้องตายทุกคนเลยเหรอครับใช่ลูกเป็นอย่างนั้นคนทุกคนที่ลูกเห็นจะต้องตายกันหมดฉันหลบวูบทั้งที่แน่ใจว่าน้องออดคงไม่ได้มองมาแต่ยังไม่อยากเป็นหนึ่งในคนที่น้องออดเห็นสักเท่าไหร่พ่อครับทาไมทุกคนต้องตายด้วยล่ะครับ คุณพ่อเงียบไปครู่คงเพราะกำลังอยากกินชมพู่มากกว่าตอบคำถามไม่รู้จกของเด็กน้อยฉันจำเลองเห็นคุณพ่อของเด็กชายเคี้ยวชมพู่อย่างสบายอารมณ์ใจนึกเร่งให้ตอบเร็วๆด้วยความอยากรู้ว่าท่าเด็ดของคุณพ่อที่มีตอบคำถามโลกแตกพันนี้เด็กทุกคนย่อมทึกทักว่าพ่อแม่ให้คำตอบได้หมด โตขึ้นเขาคงเรียนรู้เองว่าไม่ใช่เช่นนั้นและคำถามหนึ่งหนึ่งก็มีคำตอบอยู่มากมายหลายหลากจากผู้คนร้อยพ่อพันแม่ฉันแค่อยากได้ยินว่าคำตอบแรกที่น้องออจะได้ยินคืออะไรออเพิ่งเห็นคนตายนะลูกความตายเลยเป็นของแปลกใหม่ต่อไปออจะเห็นคนตายมากขึ้นและลูกจะรู้ว่าเป็นของธรรมดา อ๋อดูเศษใบไม้แห้งบนพื้นนั่นสิเห็นมะตอนนี้มันเป็นสีเหลืองแต่ก่อนมันเป็นสีเขียวเหมือนที่อยู่บนต้นนะ่ะพอถึงเวลามันก็ต้องทิ้งตัวเองลงจากกิ่งก้านมารวมกันบนพื้นเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองร่างกายคนเราก็เหมือนกันวันนี้ดูสดใสมีชีวิตชีวาแต่วันหนึ่งก็ต้องแห้งลงแล้วหายไปจากโลกนี้เช่นเดียวกับใบไม้ตกพื้น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 เพราะยังติดค้างอยู่กับความไม่รู้ไงลูกคนเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เหมือนอย่างที่ลูกออสถามพ่อเพื่อให้รู้คำตอบอยู่นี่ไงแต่ถ้ายังติดค้างยังไม่รู้แจ้งก็ต้องเกิดใหม่มาถามใหม่อีกคล้ายสายฟ้าฟาดเปเรี่ยงฉันไม่เคยเจอคำถามอะไรที่สะเทือนเลื่อนลั่นเข้ามาถึงจิตวิญญาณขนาดนั้นมาก่อนอาจเพราะครั้งหนึ่งเคยอยากรู้อย่างรุนแรงว่าทาไมต้องเกิดมา พอมาเจอคำตอบสะดุดหูและเหมือนมีบางสิ่งสกิดบอกว่านั่นเป็นความจริงไม่ใช่สิ่งลวงไม่ใช่คำตอบแบบขอไปทีคนเราเกิดมาเพราะยังติดค้างอยู่กับความไม่รู้ถ้อยคำที่คุณพ่อพูดจะทําให้ลูกชายกระจางขึ้นหรือยิ่งงุนงงสงสัยหนักกว่าเก่าอย่างไรฉันไม่อาจทราบได้แต่สาหรับฉัน บอกได้คำเดียวว่าทุกคำตามมาก้องกังวานในหัวไม่หาย